าาามมก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์ทความเข้าใจก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายก็จะมองคำสอนตรงนี้ไม่ชัดนะว่า กยการสาธยายรมวัด ส, สวดมนต์เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนเนาะอย่าลืมว่าการ ส, สวดมนต์เริ่มตั้งแต่น้โมตสะพระควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจาเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเป็นเบื้องต้นของคุณทั้งหมดเนี่ยคำว่าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาค อจารย์ท่านสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเนี่ยผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเหนเนี๋ยนี้ถ้าเรามองดูจากการที่เราจะสาธยายคําสอนหรือสวดมนต์หรือเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยให้สังเกต ต, ตรงไหนเราจะต้องเดินกุศลจิตให้ได้ถ้าเดินกุศลจิตไม่ได้ในขณะที่สวดมนต์หรือสาธยายเนี่ย การสวดมนต์นั้นต้องระวังจิตใจนั้นเป็นไปกัคคุศลหรือไม่ให้สังเกตว่าหนึ่งเมื่อเป็นไปกัคคุศลมีอะไรเป็นประธานมีศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระผู้มีพระเจ้าเป็นประธานหรือไม่หรือมีเจตนาคือการจัดแจงจงใจตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระผู้ทธมีพระภาคเจ้า หรือมีปัญญาที่เข้าไปเห็นคุณรู้คุณของพระบรมศาสดาเห็นไหมฉะนั้นตัวศรัทธาก็ได้ตัวเจตนาก็ได้หรือตัวปัญญาก็ได้ที่ในกุศลจิตตุบบาทหรือกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นประธานก็อยู่ในฐานะอะไรกุศลจิตตุบาทนั้นอยู่ในฐานะเป็นเหตุ กิริยาที่นอบน้อมออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมและทางมโนกรรมนั้นเป็นผลฉะนั้นอากับกิริยาที่มีการนอบน้อมแสดงออกมาทางกายทางวาจานี่เป็นผลของที่ของจิตจิตที่มีเจตนาในการที่คิดนอบน้อมพอ้พรธเจ้าใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักก่อนก็คือว่าข้าพเจ้า ตั้งหลักยังไงว่าในขณะที่จะสวดมนต์จากสาธยายนและลึกถึงคําสอนของเจ้าในข้าพเจ้าจะตั้งใจหมายความว่าจากให้กุศลและจิตเท่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะสวดถึงบทไหนตอนไหนขณะไหนจะให้จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นในการสาธยายในครั้งนี้นี้ตั้งหลักไว้ก่อนมีเคล็นิยามิตั้คือตั้งหลักที่จะให้กุศลเท่านั้นเกิด ประการที่สองปรินามิตะก็คือน้อมน้อมจิตเข้าหากุศลโอนจิตเข้าหากุศลทําให้จิตนั้นนะโน้มน้าวจิตให้เข้าหากุศลเพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วก็ดัดได้ดูยอมดูดูไม้ดูเหล็กแข็งขนาดไหนเขายังดัดได้ ธรรมชาติของจิตนั้นต้องดัดได้ต้องฝึกได้เห็นไหมว่าช้างตกมันเขาใช้ขอสับเขาก็ฝึกฝนให้ช้างที่แข็งกระด้างนั้นเนี่ยให้สามารถเชื่องได้ม้าเกเขาสามารถฝึกให้เป็นม้าเชื่องได้เป็นม้าอาชาไนาเป็นช้างอาชาไนาเป็นต้นได้จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ ฉะนั้นก็คือว่าน้อมจิตเข้าหากุศลและปฏิเสธบาปในขณะส่วนจะไม่ให้บาปแทรกในกระแสจิตนี้ก็ต้องตั้งหลักประการที่สองประการที่สามท่านใช้กรรมสืบมุทาจาระฝึกจิตให้คุ้นเคยกับกุศลเพราะธรรมชาติที่จิตเนี่ยถ้าเราฝึกให้อยู่กับบาปก็คุ้นเคยบาปถ้าฝึกให้อยู่กับกุศลเขก็คุ้นเคยกุศลฉะนั้นต้องฝึกให้อยู่กับการที่ว่าให้คุ้นเคยกับกุศล อย่าลืมนะืเวทนาเนี่ยเขาเกิดร่วมกับโลพามานานแล้วเกิดร่วมกับโทสะมานานเกิดร่วมกับโมหามานานสภาพของเวทนาขันเนี่ยเขาได้กลิ่นไอของกิเลสกลิ่นโลพากลิ่นโทสากกลิ่นโมหะแล้วเขาติดคนบางคนจึงชอบที่จะโลภเพราะกลิ่นของความโลภเนี่ยมันตึงตาตึงใจเขาแล้วเขายังมาเปรียบเทียบด้วยว่าความโลภของเขาเนี่ยดีกว่าความโลภของคนอื่น โลภะของเขาเนี่ดีกว่าโลภะของอื่นโลภะของคนอื่นใช้ไม่ได้โลภะของเรานี่ใช้ได้เตะติดกลิ่นของกิเลสโทสะก็เหมือนกันว่าคนนั้นโกรธน่าเกลียดแต่เราสิโกรธน่ารักนี่นะนี้จริงจริก็พอใจอะโทสากนู่นเองอุทัจรของเราก็รู้สึกดีถ้าเราทําเป็นอุทะจารซะบ้างเนี่ยคนก็ก็จะได้ไม่ค่อยมายุ่งกับเรายเยอะก็ไปพอใจก็อุทะจารแล้ววิจิกิจฉาเป็นต้นเหล่านี้ ฉะนั้นสภาพของกิเลสเนี่ยเมื่อไปเสพติดกันมันแล้วมันทําให้จิตนั้นน่ะเกิดความยินดีบ้างเปฉะนั้นเวทนามันก็เข้าไปสวยรดของกิเลสไอ ก, กลิ่นของกิเลสกลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายเหล่าเนี้ยไม่ใช่สัตว์ไม่ติดเหมือนเนื้อเมื่อเราบริโภคเนื้อติดเนื้อบริโภคผักติดผักเห็มไหมมันติดอะไรจริงๆน่ะติดสภาพของโลภะสภาพของโลภะนั่นแหละทําให้สัตว์ติด เนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปติดแต่จริงๆแล้วกลิ่นของกิเลสต่างหาที่สัตว์ทั้งหลายติดสัตวทั้งหลายที่มีกิเลสจึงเดินโชยกลิ่นของกิเลสเต็มไปหมดนั่งโชยกลิ่นกิเลสนอนให้กิเลสเกิดพุ้งไปหมดในสายตาของภาริยาทั้งหลายท่านจึงเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นธรรมชาติที่น่าสะอิดสะเอียนมากน่าเกลียดมากมันมัมนจะโชยกลิ่นคาวตลอด ผ้าลหันตาจเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะเบื่อหน่ายเอื่อมละอากับคนที่มีกลิ่นของกิเลสที่โชยอยู่ตลอดเวลาเหลือเกินฉะนั้นทามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าเราท่านทั้งหลายบางครั้งเราจะอาบน้ําให้สะอาดแต่งตัวให้งดงามใดๆก็แล้วแต่แต่ถ้าใจเราไม่สะอาดใจเราโสโปรกด้วยราคะาโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนไม่สะอาดอยู่ดี เพราะเราเพราะท่านขับเน้นอะไรขับเน้นถึงการละกิเลสกําจัดบาปออกจากใจแล้วอะไรแล้วที่เราจะสงบบาปประธรรมได้ก็คือการระลึกถึงคุณของพระาศาสดาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประเสริฐนี้แหละฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาในลักษณะนี้จะได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชัดยิ่งขึ้นว่าพระาศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนเพื่อประโยชน์แก่เราโดยแท้ พระศาสดาบอกแก่สหบดีพรหมบอกว่าดูก่อนพรหมตอนนั้นสหบดีพรหมพร้อมด้วยพรหมอีกหมื่นใช่หมในหมื่นจักรวาลทั้งหลายมาประชุมกันมาประชุมกันน่ะเต็มไปหมดนะอาราตนาให้พระผู้มีพระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมตอนนั้นเพราะทรงขนไหวยน้อยว่า พระธรรมที่ทรงได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งคุขข้มกับมีคุณภาพมากยากนักหนาะสัตว์ที่มีดวงตาคือทุลีในกิเลสเนี่ยไอ้กิเลสคือตัวทุลีในดวงตามากเนี่ยมีบัญญาไม่สว่างหรือจิตสัตว์ทั้งหลายที่จิตสปกปรกจิตไม่สะอาดเนี่ยยากนักที่จะเข้าถึงพระธรรมของพระศาสดาพอพอพระศาสดาขนขวายน้อยอย่างนั้นพรหมก็จะประกาศ เชิญกันให้มาราธานาพะพุทธเจ้าฉะนั้นพระศ า, าสดาก็บอกแก่พรหมบอกว่าดูก่อนพรหมถ้าท่านอาราธานาเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ประกาศบอกผ่านพรหมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามายที่เราที่เราคือที่พระธรรคต เธอจงตั้งตถาคตาโพธิ์ศรัทธาให้มัน่นเชื่อมั่นปัญญาการตรัสรู้ของเราว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ด้วยตนเองและมาจากการบำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบและประมัทฐบารมีสิบมาอย่างยาวนานนับพบนับชาติไม่ท่วนถ้าเธอปล่อยตถาคตาโพธิสนะัทธาเนีเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของเรา เธอเดินตามเราเนี่ยเนาะมีศรัทธามีวิรยิยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในเราในตถ า, าคตแล้วเนี่ยเธอก็จักไม่ยกผลผิดจักไม่เคลื่อนผลผิดจักไม่มีความเห็นผิดจักไม่เดินทางผิดติดต่อไปแล้วถ้าเธอปล่อยศรัทธามาที่เราแล้วเธอถ้าคนมีศรัทธาก็ต้องเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้ เมื่อนั่งกล้ก็เงียโสดลงใช่ไหมพอเงียโสดลงสดับก็ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้เมื่อตั้งจิตที่จะรับรู้แล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นถึงจะระดมสัพพะกาลังของอินทรียห้าพละห้าคือมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาในการที่จะน้อมเอาพระธรรมคําสอนของภาษาสดานั้นประชุมลงสู่ในกระแสะใจของสัตว์นั้นสัตว์นั้นจึงจะได้อมตะรสคือรส ได้ดื่มด่ำรสของวัฒ ร, ร์จากการที่สัตว์นั้นนั้นหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายด้วยราคาโทสาวูหะฉันพอพระาศาสดาบอกในลักษณะอย่างเนี้ยบอกว่าให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราเพราะศรัทธาเนี่ยเว้ยเจ้าบอกว่าอะไรศรัทธาอารถิโอคังยังไหมคนจะข้ามโอค้าได้ด้วยศรทัทธาบอกว่าการจะข้ามกามโมค้าพระโอค้าที่โธค้อาอวิโชคะ กามโคคาโอคาคือกามมาคุณหรือความติดใจในการมาคุณเนี่ยพระโวคาคือสภาพจิตที่ติดใจในการมาพบในพบนั่นเองเป็นต้นทิศโโคาโอคาคือความติดแน่นในความเห็นของตนเองไม่ยอมเชื่อภาษาสดาแต่เชื่อความเห็นตัวเองเนเอาวิโชคาก็คือโอคาคือความหลงความมืดบอดแห่งดวงตาปัญญาคือจิตบอดไม่มีปัญญาเกิดดวงตาคือปัญญาบอดสนิท เพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดแห่งจิตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีศรัทธาก็เลยข้ามโอคาสีนี้ไม่ได้แล้วก็วิเดเยในทุกขามาเจติบกคลจะล่วงจากชาติที่ทุกชะลาทุกพยาที่ทุกมรณะทุกเป็นต้นได้เก็เพราะความเพียรในสัมมัประธานแล้วก็บอกว่าอัปปมาเดนะใช้คำบอกว่าทือว่า คนจะข้ามอันนบจะข้ามจากสังสารวัตได้เนี่ยนะห่วงน้ำได้ก็เพราะสติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญาเห็นไหมฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติและปัญญาพระเจ้าสอนอะไรสอนมรรคสอนอริยมรรคสอนให้เจริญสติปัฏฐาน แต่ถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานจะเดินยังไงเพราะพระธรรม พ, รพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าไม่เห็นคุณของพระศาสดาแล้วอะไรอะไรจะเกิดความการปฏิบัติอย่างทั่วถึงก็ไม่เกิดฉะนั้นตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนมหานามสไนัยสมัยใด อริยาสาวกตามระลึกถึงพระตรรมคตในสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกุ้มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมย่อมไม่ถูกโมหกุ้มรุมสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมตรงทีเดียวคำว่าตรงทีเดียวตรงต่ออะไรตรงต่อพระนิพพานฉะนั้นการสาธยายการสวดมนต์ที่เราจะสาธยายกันเนี่ย ต้องไม่ให้ราคะก้มรุมต้องไม่ให้โทสะก้มรุมต้องไม่ให้โมห oh ะก้มรุมต้องไม่ให้ถีนะมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉ า, าวิชาความมืดบอดของดวงจิตดวงตาปัญญาคือจิตมันบอดเนี่ยต้องไม่ให้จิตมันบอดถ้าถูกสภาพจิตเหล่านี้จิตที่บอดนี่ก้มรุมเนี้ยในขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตจะไม่ตรงตรงในที่นั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิชุ ก, กรำเนี่ยความเห็นของสัตว์ก็จะไม่ตรง ดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อะไรอัธรสอัธรสคืออัท ธ, ธะเนื้อความของพระบารีเนื้อความเช่นเราจะสวดเนี่ยอิตีปีโสภากวาเนี่ยหรือว่าพระผู้มีพระเจ้ า, าพระองค์นั้นเป็นพระหลานเนี่ยไม่ได้อัธรสไม่ได้ ท่ไม่ได้เนื้อความไม่ลึกซึ้งในในอัตถะหรือคุณของภาษาสดาจริงๆและไม่ได้ธรรมรสคือรสของพระบาพุทธพจน์พุทธพน์พพของพระบาลีไม่เข้าใจไม่ได้อัตถรสไม่ได้ธรรมรสเพราะอัทธารสธรมรมารสไม่เกิดขึ้นรสแห่งพระธรรมรสแห่งอัตถาเนื้อหาของพระธรรมนั้นไม่เกิดขึ้นและปลาโม่จะมายัางไง ปราโมดก็ไม่เกิดจิต ท, ที่ผ่องขึ้นก็ไม่เกิดที่ประกอบได้ธทำผู้ถ้าปลาโมดเกิดเนี่ยก็ย่อมเกิดปีติเมื่อใจประกอบด้วยปีติปัสสทานความสงบแห่งนามากายก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัสสถานความสงบเกิดขึ้นสุขโสมนัสก็เกิดเมื่อสุขโสมนัสเกิดขึ้นจิตก็เป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นสมาธิตรงนั้นแหละเขาเรียกว่า สมาธิพิกเวภาเวถสมัยโตยถาภูตังประชาณติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิที่เป็นประธานของวิปัสสนามาจากคาว่าสมาหิโตยถาภูตังประชาณติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเนี่ยจิตเป็นมีสมาธิเป็นประฐานแห่งปัญญา พระศาสดาก็ตรัสว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงจิตที่บริสุทธิตั้งมั่นพร้อมได้ปัญญานี้แหละทำให้สามารถป้องกันขจัดอุปสรรคอันตรายต่างๆยังการงานคือการเจริญกุศลให้โกดขึ้นเป็นต้นได้สำเร็จฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยนั้นเน่ยยังเป็นปัจจัยทำให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาะด้วยใช่ไหม พระศาสดาตรัสว่าอย่างไงบอกว่าอาภิวาดานสิริสาเนจังอุดดาปจายิโนจตารอดามาวทันติอายุวันโอสุขังบลังติดบอกว่าสำหรับผู้มีปกตินะนอบน้อมกราบไหว้พระรัธนทรัยนะนอบน้อมต่อผู้มีคุณระดับวุฒ เรียกวุฒหบุคคลเป็นนิจใครคือวุฒหบุคคลพระพุทธเจ้าไงพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไงทำพิสีปการก็เจริญกับเขาอายุวันณนะสุ ข, ขัและพละเมื่อร่างกายจิตใจเป็นความสุขมีกําลังสุขภาพดีสามารถที่จะประกอบการงานต่างๆเป็นต้นในการเจริญสมถวริปสนานนได้ไหมจิตก็ได้เข้าถึงความสงบสุขเป็นต้นได้ เนี่ยในส่วนจริงชีวิตก็จะเป็นแก่นสารและตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าเออเราจะทํายังไงโนาให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับกุศลจิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสด้วยประกอบด้วยปัญญาด้วยไม่มีการกระตุ้นเตือนเกิดขึ้นด้วยหรือถึงจะประกอบด้วยญาณปัญญาแต่มีการกระตุ้นชักนมก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นเนี่ยที่สุนจริงก็จะขับเน้นการจเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องเอาแล้วนะเปิดไปหน้าที่สิบสาม มานบ้นบน้อมจริงๆพระพุทธรูปอยู่ด้านข้างะด้านข้างที่มาอายขณ้าที่หนึ่งก่อนนะคำบูชาพระรัตนตรัยอ๋ อ, อเห็นมีพระพุทธรูปปางตัสรูนะแล้วก็ระลึกอันนี้ก็จะแปลงพุทธเมตตาสถานที่ตัสรูนุตระัมมาสัมปอริยาณของพระพภาคเจ้า ที่ตรงนี้แหละที่ทำให้พระธรรมขยายมาถึงพวกเราวันนี้ได้ก็เนี่ยเนี่ยมีที่ประทับปัสรู้ที่พระแท่นวชร ะ, ะอาหรือักเล็กรักรกกตนบัลลังก์เยวชิระอาที่ตายตนพระศีรมหาโพธิ์ที่ตรงนี้พระาศาสดาประชุมสถิประธานสมมประธานอิทธิบาทอินทรพละพุทธชงอริยามรรคมีองค์แปดตอนนี้พราะสมาบัติที่เกิดขึ้นในกระแส ของขันธ์ธาตุอยายตนะของพระองค์เนีสองล้านสี่แสนโกศสมาบัตินั่นคือสมาบัติที่โกดคุณนในวันตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพธิยานแล้วก็ตั้งตถาคตาโพธิสัตธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่า